พุตการนิกายวสสละสูตรเล่มที่25ห้ก็อที่ส0 5หมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาตะบินทิกาเศรษฐีใกลวรณครสาวถีก็กลังนั้น แ, แลเป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงกรองสบงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินนาบาดอย่างพระนครสาวัถีก็ในสมัยนั้นแลพรามผู้บูชาไฟชื่อภารถววชะหรืออักิกะภารัววชะปรามก็ไฟแล้วตกแต่งของที่คนบูชาอยู่ในนิเวศของตน ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเที่ยวบินาบาทตามลำดับตรอกในพระนครชาวทีเสด็จเข้าไปยังนิเวศของอากีกะปาราธวาชบรามปรามนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลทีเดียวกรันเห็นแล้วจึงได้กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าหยุดอยู่นั่นแหละเจ้าคนโลน หยุดอยู่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่นั่นแหละคนถอยประเมืออคีกะภารัตวชปรามกล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตามว่าดูก่อนพรามก็ท่านรู้จักคนถอยหรือธรรมะเป็นเรื่องกระทําให้เป็นคนถอยอย่างนั้นหรือพรามนั้นเมื่อได้ยินพระสุรเสียง ของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงตั้งสติขึ้นได้และได้กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพเจ้าไม่รู้จักคนถอยหรือธรรมะเป็นเรื่องกระทาให้เป็นคนถอยเลยสาธุดีละขอท่านพระโคดมจงแสดงธรรมะตามที่ข้าพเจ้าจะปึงรู้จักคนถอยหรือธรรมะเป็นเรื่องกระทำให้เป็นคนถอยเถิด ามถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าววันนี้กเมือ่อากิกะภารัตวัชะปรามคือพ ร, รามผู้บูชาไฟชื่อภารัวาชะรับคำดังนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคที่ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาคือคำกล่าวนี้ว่าคนมักโกรธผู้โกรธ ลบดูอย่างเลวมีทิฏฐิพิบัติและมีมายาพึงรู้ว่าเป็นคนถอยผู้เบียดเบียนสัตว์ที่เกิดหนเดียวแม้หรือเกิดสองหนไม่มีความเอ็นดูในสัตว์พึงรู้ว่าเป็นคนถ่อยคนเบียดเบียนเที่ยวปล้นมีชื่อเสียงว่าฆ่าชาวบ้านและชาวนิคมพึงรู้ว่า เป็นคนต่อยคนลักทรัพย์ที่ผู้อื่นห่วแหนไม่ได้อนุ ญ, ญาตให้ในบ้านหรือในปา่าพึงรู้ว่าเป็นคนต่อยคนที่กู้หนี้มาใช้แล้วกล่าวว่าหาได้เป็นหนี้ท่านไม่หนีไปเสียพึงรู้ว่าเป็นคนต่อยคนฆ่าคนเดินทางจึงเอาสิ่งของเพราะอยากได้สิ่งของ พึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนที่เขาถามเป็นพยานแล้วกล่าวคำเทจเพราะเหตุแห่งตนก็ดีเพราะเหตุแห่งผู้อื่นก็ดีเพราะเหตุแห่งทรัพย์ก็ดีพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนผู้ประพฤติรุวงเกินในปริยาของญาตก็ตามของเพื่อนก็ตามด้วยคมขืนหรือการร่วมรักกัน พึงรู้ว่าเป็นคนถ่อยผู้สามารถแต่ไม่เลี้ยงมารดาหรือบิดาผู้แก่เท่าผ่านไว้หนุ่มสาวไปแล้วพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนผู้ทุบตีด่าว่ามารมมาดารบิดาพี่ชายพี่สาวพ่อตาแม่ยายแม่ผัวหรือพ่อผัวพึงรู้ว่าเป็นคนถอย คนผู้ตูกตามถึงประโยชน์บอกสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์พูดกลบเกลื่อนเสียพึงรู้ว่าเป็นคนต่อยคนทำกรรมชั่วแล้วปรารถนาว่าใครอยา่าพึงรู้เราปกปิดเอาไว้พึงรู้ว่าเป็นคนต่อยคนผู้ไปสู่สกุลอื่นแล้วและบริโภคโภชนะที่สะอาด ย่อมไม่ตอบแทนเขาผู้มาสู่สกุล ข, ของตนพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนผู้ลวงสมณบรมหรือแม้วั น, นิพกอื่นด้วยมูสาวาดพึงรู้ว่าเป็นคนถอยเมื่อเวลาบริโภคอาหารคนผู้ด่าสมณะหรือปรามและไม่ให้โภชนะพึงรู้ว่าเป็นคนถอย คนในโลกนี้ผู้อันโมหะครอบงามแล้วปราถนาของเล็กน้อยพูดอวดสิ่งที่ไม่มีพึงรู้ว่าเป็นคนต่อยคนเลวทรามยกตนดูหมิ่นผู้อื่นด้วยมานะของตนพึงรู้ว่าเป็นคนต่อยคนฉุนเฉียวกระด้างมีความปราถนาหลามก มีความตรนีโอ้อวดไม่ละอายไม่สะดุ้งกลัวพึงรู้ว่าเป็นคนถ่อยคนตีเตียนพระพุทธเจ้าหรือตีเตียนบันปชิตหรือกริหันสาวกของพระพุทธเจ้าพึงรู้ว่าเป็นคนถ่อยผู้ดายแลไม่เป็นพระอรหรันแต่ปฏิญาณตัวเองเป็นพระอรหรันผู้นั้นแล เป็นคนถอยตำช้าเป็นโจรในโลกพรามทั้งพรโมโลกก็คนเหล่าใดเราประกาศแก่ท่านแล้วคนเหล่านั้นนั่นแลเรากล่าวว่าเป็นคนต่อยบุคคลไม่เป็นคนถอยเพราะชาติกำเนิดไม่เป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดแต่เป็นคนถอยเพราะกรรมคือการกระทําเป็นพราหมณ์เพราะกรรม การกระทำท่านจงรู้ข้อนั้นตามที่เราแสดงนี้บุตรของคนจันทานเลี้ยงตัวเองได้ปรากฏชื่อว่ามาตังคกะเป็นคนกินของที่ตนให้สุขเองเขาได้ยศอย่างสูงที่ได้แสนยากกษัตริย์และพรามเป็นอันมากได้มาสู่ที่บำรุงกองเขาเขาขึ้นยานอันประเสริฐ ไปสู่หนทางใหญ่อันไม่มีฝุ่นเขาสำรอกการมราคาเสียได้แล้วเป็นผู้เข้าถึงบรมโลกชาติกำเนิดไม่ได้ห้ามเขาให้เข้าถึงบรมโลกแม้ปรามเกิดในสกุลผู้สารตยายมนเป็นพวกไร้มนแต่พวกเขาปรากฏในบาปกรรมอยู่เนืององพึงตุ่ติเตียน ในปัจจุบันทีเดียวและพบหน้าก็เป็นทุกติชายกำเนิดห้ามกันพวกเขาจากทุกติหรือจากกระหาได้ไหมบุคคลไม่เป็นคนทอยเพราะชาดกำเนิดไม่เป็นพรามเพราะชาดกำเนิดแต่เป็นคนทอยเพราะกรรมคือการกระทาเป็นพรามก็เพราะกรรมคือการกระทาบาลีว่า นะชัตจาวัสโลโหตินะชัตจาโหติปรามโนกรร ม, มุนาวัสโลโหติกรร ม, มุนาโหติปรามโนตัทะมินาปิชานาทะเยธาเมทังนิทัศนังฉันทารัตุโตโสปาโกมาตังโคอิติวิสุโต โสยสัพประมัปัตโตมาตังโคยังสุทุนละพังอาคันชะชะตัดสุปัฏฐานังกติยาปรามนาหูโสเทวญาณังอภิรุหะวิระชังโสมหาปัถังกามราคังวิราเจตวาประมะ โลกูปะโคอะหุนะนางชาตินิวารสิปรมามะโลกูปะปติยาอจชายิกะกุเลชาตาปรมามะนามันตะพันทวาเตจะปาเปสุกัมเมสุอภินหะมุปะทิสเรทิเทวะธรรมเมอาไรหา สัมบาราเยจะทุกขตินะเนชาตินิวาเรติทุกขัจาจระหายวานะชัจจาวสะสโลโหตินะชัจจาโหติปรามนโนกร ม, มุนาวสะสโลโหติกร ม, มุนาโหติปรามนโนติกเมือพระผู้มีพระภาค ตรคาถานี้แล้วอากิกะภารตวชป布拉มได้กราบตูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระคุ์ผู้เจริญภาะสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาะสิทิของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักพระองค์ส่งประกาศธรรมโดยเอเนกปริยายเปรียบเหมือนงายของที่คว่าอยู่เปยดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทาง หรือจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปข้าบระงค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งกับพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสาสนะขอประงค์จงทรงจำข้าประงค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสาสนตลอดชีวิตจำเดิมจากวันนี้เป็นต้นไปหนังนี้วัสละสูตร จากในวัสลสูตรในบทที่ว่าบุตรของคนจันทานลีหลงตัวเองได้ปรากฏชื่อว่ามาตัางคะเพิ่งทราบเนื้อความอย่างนี้ได้ยินว่าในอดีตการมหาบุรุษคือบริสัต์กระทำอยู่ซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงโดยอุบายต่างๆได้อุบัติในตระกูลของคนจันทาร ซึ่งเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารที่ตนให้สุกเองคือขอคนอื่นมาทากินเขามีชื่อว่ามาตังคะมีรูปร่างไม่น่าดูอาศัยอยู่ในกระท่อมที่ทำด้วยหนังสัตว์ในภายนอกพระนครเทียวขอพิกษาในภายในพระนครเลี้ยงชีวิตอยู่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อเขาโฆษณานักสัตว คือการละเล่นเกี่ยวกับสุราในน ก, ก่อนนั้นพวกนักเลงพากันเล่นกับบริวารของตนทิดาของพรหมหาศาลคนหนึ่งอายุราว15ถึง16ปีมีรูปโฉมหน้าดูหน้าเลื่อมใสดุจเทพกัญญาคิดว่าเราจะเล่นตามสมควรแก่ตระ ก, กูลมงของตน นางจึงบรรทุกสัมบาระเกี่ยวกับการลเล่นมีของเคี้ยวของกินเป็นต้นอย่างเพียงพอใช้เกวียนทั้งหลายขึ้นสู่ยานที่เตียมด้วยมมาขาวเพศแม่ที่มีสีขาวปลอดไปทั้งตัวได้ไปสู่สถานที่ในอุทยานด้วยบริวารนันใหญ่นางมีชื่อว่าทิธามังคลิกาได้ยินว่า นางไม่ปรารถนาจะเห็นรูปที่ไม่สวยงามโดยคิดว่าเป็นอวมงคลด้วยเหตุ น, นั้นนางจึงเกิดมีชื่อว่าทิตตมงคลิกาคือสิ่งที่เห็นเป็นมงคลในการครั้งนั้นบุตรของคนจันตานชื่อมาตัางคะลุกขึ้นตามการเวลานั่นเดียวนุ่งผ้าเกา่า ผูกก้านตาลที่มือถือภาชนะเข้าสู่นครเมื่อเห็นมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็เคาะก้านตาลแต่ไกลทีเดียวลำดับนั้นแลนางทิตามังคลิกะเอ็นบุรุษทั้งหลายกําลังไล่ชนที่เร็วข้างหน้าข้างหน้าว่าพวกเจ้าจงลุกออกไปพวกเจ้าจงลุกออกไปเขามีบุรุษ นำทางอยู่ได้เห็นมาตังคะในท่ามกลางประตูนครจึงกล่าวว่านั่นไกลมาตังกะข้าพเจ้าเป็นลูกคนจันทานชื่อมาตังคะนางติตะมังคลิกะจึงคิดว่าคนทั้งหลายที่ไปเห็นคนเช่นนี้จะมีความเจริญแต่ที่ไหนแต่ น, น, นี้แล้วจึงสั่งให้นํายานกลับ มนุษย์ตั้งหลายโกรธแล้วว่าพวกเราไปสู่อุทยานแล้วพึงได้วัตถุมีของเคี้ยวและของกินเป็นต้นอันใดอันตรายแห่งวัตถุมีของเคี้ยวและของกินเป็นต้นนั้นของพวกเราถูกเจ้ามาตังค่ากระทำเสียแล้วเขาตั้งหลายจึงพูดขึ้นว่าพวกเราจงจับคนจันทานชื่อมาตังค่านี้ตีมันทุบมัน ด้วยก้อนดินทั้งหลายดังนี้พวกคนเหล่านั้นเมื่อกระทำดังนั้นมีความสำคัญว่านายมาตังคะบุตรคนจันทา์นั้นตายแล้วจึงจับที่เทา้าแล้วทิ้งไปที่ส่วนข้างหนึ่งกลบด้วยอยากเยื่อแล้วก็หลีกไปมาตังคะกลับได้สติขึ้นลุกขึ้นถามมนุษย์ทั้งหลายว่านาย ชื่อว่าประตูเป็นของทั่วไปแก่คนทั้งปวงหรือำํำไวสำหรับพวกปามเท่านั้นมนุษย์ทั้งหลายกล่าวว่าไม่ใช่อย่างนั้นประตูเป็นของทั่วไปแก่คนทั้งปวงมาทังคะมีความคิดว่าก็มนุษย์ทั้งหลายให้เราผู้เข้าไปทางประตูที่เป็นที่ทั่วไปแก่ชนทั้งปวงแล้วยังชีวิตให้เป็นไปด้วยการพิขาจาน ให้เราถึงความพินาศย่อยยับถึงเพียงนี้เพราะนางพิถะมังคลิกาเป็นเหตุเขาจึงเที่ยวไปตามถนนสู่ถนนบอกแก่มนุษย์ทั้งหลายแล้วนอนที่ประตูรเรือนของปรามโดยคิดว่าถ้าเราไม่ได้นางพิถะมังคลิกาแล้วจะไม่ลุกขึ้นเลยปรามเจ้าของเรือนได้ฟังว่านายมาตังคะ บุตรคนจันดานนอนที่ประตูเรือนจึงกล่าวกับคนรับใช้ว่าเธอจงให้กากรนิกหนึ่งแก่เขาเอาน้ำมันงาทาตัวแล้วจงให้ไปดังนี้นายมาต่างกานั้นย่อมไม่ปรารถนาเงินกากรนิกนั้นจึงกล่าวว่าถ้าเราไม่ได้นางทิฏฐะมังกลิกาแล้วจะไม่ลุกขึ้นทีเดียวจากนั้น พรามจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจงให้สองกากณะนิจจงให้กินมูลหนึ่งกากณะนิจเอาน้ำมันงาทาตัวหนึ่งกากณะนิจแล้วก็ให้ไปดังนี้นายมาตังคะไม่ต้องการกากณะนิแม้นั้นยังพูดยืนยันตามเดิมนั่นแหละพรามเมื่อได้ฟังแล้วก็สั่งว่าถ้าอย่างนั้นจงให้มาศบาทหนึ่งให้กึ่งกาาพนะ สให้กหาปณะนะสาให้กหาปณะนะจนถึงร้อยกหาปณะนะหนังนี้เขาก็ไม่ต้องการอย่างพูดยืนยันตามเดิมนั่นแหละเมื่อพวกคนทั้งหลายอ้อนวอนอยู่อย่างนั้นทีเดียวพระอาทิตย์ก็อัสะดงลําดับนั้นนางปรามณีลงจากปราศาสให้ล้อมพาม่านเข้าไปหามาตังคะ นั่นแล้วอ้ อ, อนวอนกล่าวว่าแน่พ่อมาตังคะเจ้าจงอดโทษแก่นางทิฏฐะมังคลิกาเถิดจงรับหนึ่งพันาหาปณะนะจงรับสองพันาหาปณะสามพันกาหาปณะนะจนถึงแสนกาหาปณะนะอย่างนี้เขาก็คงนอนนิ่งอย่างนั้นทีเดียวเมื่อสี่ถึงห้าวันล่วงไปอย่างนี้แล้วจนทั้งหลาย มีขจายะกุมารเป็นต้นให้บรรณาการแม่มากแล้วเมื่อไม่ได้นางทิฏะมังคลิกาชวนเหล่านั้นจึงกระซิบบอกที่หูของมาตัางกาว่าในท่านธรรมดาบุุษทั้งหลายทำความเพียรหลายปีจึงถึงความปรารถนาท่านอย่าเบื่อเลยจะได้นางทิฏะมังคลิกาโดยล่วงไปสองถึงสวันแน่แท้ นายมาตังคะก็คงนอนนิ่งอย่างนั้นนั่นแหละลาดับนั้นในวันที่7พวกคนคุนเคยโดยรอบเปลือนของพรามนั้นลุกขึ้นแล้วก้าวกับพรามว่าท่านจงให้มาตังคะลุกขึ้นหรือจงให้นางธาริกาคือลูกสาวของท่านอย่าให้พวกเราทั้งหมดต้องชิบหายเสียเลยก็ได้ยินว่าพวกชนเหล่านั้น มีทิฏฐิความเห็นความเชื่ออย่างนี้ว่าถ้ามีคนจันทรนนอนตายอย่างนี้ที่ประตูเรือนของคนใดพวกคนที่อยู่ในเรือนโดยรอบเจ็ดหลังคาเรือนพร้อมด้วยเรือนของคนคนนั้นก็จะกลายเป็นคนจันทร์ด้วยด้วยเหตุนี้พรามและปรามณีจึงให้นางทิตะมังกลิกาหนุ่งผ้าเก่าสีเขียว ให้วัตถุทั้งหลายมีกระบวยและหม้อเป็นต้นนํานางผู้คร่ําครวญอยู่ไปสู่ที่ที่นายมาตังคะนอนอยู่นั้นแล้วแล้วกล่าวว่ามาตังคะเจ้าจงรับนางธาริกานี้ลุกขึ้นแล้วก็ไปเสียเถิดนางธาริกานั้นยืนที่ข้างแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นสามีเชิญท่านลุกขึ้นเถิด เราจะไปยังเรือนของท่านมาตังคะจึงกล่าวว่านางผู้เริญเราถูกบริวารชนของเจ้าทุบตีเสียจนยับเยินทุพพลภาพเจ้าจงยกเราขึ้นหลังแล้วพาไปเถิดพวกเราไม่อาจเพื่อจะอยู่ในพระนครจงนำฉันไปสู่กระท่อมหนังในภายนอกพระนครนางจึงทำตามคำดังนั้นยกเขาขึ้นหลัง แล้วก็พาไปเมื่อชาวพระนครกำลังมองดูกันอยู่นั่นแหลพามาตังคะออกจากพระนครไปสู่นิคมของพวกคนจันทาลอยู่ในกระท่อมหนังแล้วครันนำไปแล้วจึงเอาน้ำมันทาร่างกายของมาตังคะให้อาบด้วยน้ำอุ่นต้มข้าวยากูให้ลาดับนั้น ในมาต่างกะนนั้นไม่ได้ล่วงเกินนางให้ผิดประเพณีแห่งเผ่าพันธุ์ให้นางพักอยู่ในเรือนสองถึงสามวันแล้วคิดว่าก็เมื่อตัวเราจะกระทำให้นางถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาบยศ<ๆ>ก็จำต้องบวชเก่อนจึงจะสามารถกระทำได้นอกจากนี้แล้วไม่มีทางลำแบบนั้น มาตังคะจึงเรียกนางมาแล้วกล่าวว่าฉันจะไปป่าเมื่อฉันยังไม่ได้นำอะไรๆ อ, ออกมาจากป่าการกรองชีพของเราทั้งสองย่อมเป็นไปไม่ได้เจ้าอย่า ก, กรวนกระวายไปจนกว่าเราจะกลับมาเราจะไปสู่ป่านังนนี้แล้วเขาก็บอกบริวารชนของเขา ว, ว่าแม้พวกเจ้าผู้อยู่ในเรือน ก็เฝ้าเรือนอย่าละเลยช่วยดูนางผู้เป็นภรรยาของเราด้วยนั่นนี้แล้วก็เข้าไปสูป่ป่าบรรพชาเป็นเพศสมณะมิได้ประมาทมัวเมาไม่นานนักก็ยังสมาบัติ8และอภิญญาห้าให้เกิดขึ้นเขามีความคิดว่าก็ในบันนี้เราจะเป็นที่พึ่งของนางทิตะมังกริกา เขอจึงหอมาต่างอากาศลงที่ประตูนครแล้วได้สั่งให้คนส่งข่าวไปยังสำนักของทิตต์มังคลิกานางได้รับข่าวแล้วก็คิดว่าเห็นจะเป็นญาติคนหนึ่งของเราที่บวชแล้วรู้ว่าเราเป็นทุกข์จึงจะมาเยี่ยมเมื่อนางคิดดังนี้แล้วก็จึงไปที่ประตูนครนางเห็น แล้วรู้แล้วว่าเป็นนายมาตังกานั้นจึงหมอบที่เท้าทั้งสองแล้วกล่าวว่าท่าน ท, ทําดิฉันให้หมดที่พึ่งท่านมาเพื่อประโยชน์อะไรโพธิสัตว์คือนายมาตังกานั้นกล่าวว่าแน่นางที่ถามังคลิกาเจ้าอย่าเป็นทุกเลยฉันจกให้ชาวชมบูตรบีบทั้งสิน้นกระทําสักการะแก่เจ้าเจ้าจงไป เจ้าจงให้ทําการเป่าประกาศว่าท้าวมหาพรหมเป็นสามีของดิฉันไม่ใช่นายมาตังคะท้าวมหาพรหมนั้นจะแหวกวิมานจันทร์แล้วมาสู่สํานักของดิฉันในวันที่เจ็ดังนี้นางจึงกล่าวว่าท่านเจ้าขาดิฉันเป็นธิดาของปรามหาศารได้ถึงความเป็นคนจันทรานนี้เพราะบาปกรรมของตนไม่อาจ จะเพื่อพูดได้อย่างนั้นมหาบุรุษคือโพธิสัตว์จึงกล่าวว่าเจ้ายังไม่รู้อนุภาพของเรามาตังคะโพธิสัตว์นั้นจึงแสดงปาฏิหาริย์หลายอย่างโดยประการที่นางยอมเชื่อถือสร้างนางอย่างนั้นแล้วก็ไปสู่ที่อยู่ของตนนางก็ได้ทำอย่างนั้นพวกมนุษย์ต่างก็เพ่งโทษหัวเราะว่า ก็นางทิฏฐะมังครลิกานี้ถึงความเป็นคนจันทานแล้วเพราะ บ, บาปกรรมของตนจะทำมาตัางคะนั้นให้เป็นมหาพรหมอีกอย่างไรกันหนังนี้นางก็มีมานะเกิดมากยิ่งขึนจึงได้เที่ยวประกาศทั่วนครทุ ก, ท, กทุกวันว่าแต่นี้ไปเท้ามหาพรหมจะมาในวันที่หกแต่นี้ไปถท้ามหาพรหมจะมาในวันที่ห้า วันที่สวันที่สในวันพรุ่งนี้และในวันนี้เป็นต้นดังนี้เมื่อมนุษย์ทั้งหลายฟังข่าวที่นางประกาศแล้วคิดว่าบางครั้งพึงมีแม้อย่างนี้จึงให้ทามนต์ดบที่ประตูเรือของตนของตนได้จัดแจงสถานที่ผูกผ้าม่านประดับประดาธาริกาผู้เจริญวัย ให้นั่งมองดูตาอากาศว่าเมื่อเท้าหมาพรมมาจะถวายกัญญาทานลําดับนั้นมหาบุรุษเมื่อพระจันทโโปรออกสู่พื้นท้องฟ้าในวันเพ็ญก็แวกวิมานจันทร์มาปรากฏเป็นรูปเท้าหมหาพรมแก่มหาชนผู้มองดูมหาชนเข้าใจว่าพระจันทรสองดวงเกิดแล้ว ดังนี้แต่นั้นเมื่อเขาเห็นท้าหมาพรมมาโดยลำดับได้ถึงความตกลงใจว่านางทิตะมักคลิกานี้ผู้จริงนี้เป็นท้าหมาพรมทีเดียวมาด้วยเพศของมาต่างคะในการกรเพื่อจะธรมานางทิตะมักคลิกามหาบุรุษนั้นเมื่อมหาชนมองดูอย่างนั้น จึงลงในที่ที่เป็นที่อยู่ของนางทิทามังกริกานั่นแหละก็ในการนั้นนางมีระดูมหาบุรุษนั้นลูปครามสดือของนางด้วยนิ้วมือคันก็ตั้งขึ้นด้วยการลูปครามนั้นแต่นั้นจึงกล่าวกับนางว่าคันของเจ้าตั้งพร้อมแล้วเมื่อบุตรเกิด เจ้าจงอาศัยบุตรนั้นเลี้ยงชีพเมื่อมห า, าชนกำลังมองดูก็เข้าไปสู่วิมานจรรันอีกพวกปรามพากันกล่าวว่านางทิตะมังคลิกาเป็นประชาบดีของบรมเป็นมันดาของพวกเราเขอทั้งหลายจึงมาในที่นั้นประตูนครก็คับข้างด้วยอำนาจแห่งพวกมนุษย์ผู้ใคร่ เพื่อจะทำสการานั้นพวกปรามเหล่านั้นตั้งนางทิตะมังกริกาในกองเงินให้อาบน้ำตกแต่งยกขึ้นสู่รถให้กระทำประทักษิณพระนกรด้วยสการะใหญ่ให้สร้างมนดบในท่ามกลางพระนกรตั้งนางไว้ในตำแหน่งที่เห็นว่าประชาบดีของบรม ให้อยู่ในมณฑปนั้นว่าขอให้นางอยู่ในมณฑปนี้ก่อนจนกว่าพวกเราจะทำโอกาสเป็นที่อยู่อันเหมาะสมแก่นางนางได้คลอดบุตรที่มณฑปนั่นเดียวก็ในวันบริสุทธิ์พวกพรามให้นางพร้อมกับบุตรอาบน้ำสะผมแล้วตั้งชื่อทารว่ามันทัพยกุมารเพราะเหตุเกิดใน มนดกและจำเดิมแต่นั้นพวกปรามเที่ยวแวดล้อมกุมาร น, นั้นว่าเป็นบุตรของมหาพรหมบัญการหลายแสนประการก็มาในที่นั้นพวกปรามเหล่านั้นตั้งอารักขากุมารคือเด็กผู้ดูแลรักษาพวกที่มาก็ไม่ได้เพื่อเยี่ยมมันทัพพยากกุมารได้โดยเร็ว มันทัพยากุมารอาศัยความเจริญโดยลำดับปรากฏแล้วเพื่อจะให้ทานเขาไม่ให้ทานแก่คนกัมปราและคนเดินทางพูดถึงพร้อมด้วยความหวังแต่ให้แก่พวกปรามเท่านั้นมหาบุรุษนั้นระลึกได้ว่าบุตรของเราจะให้ทานหรือไม่หนอเห็นกุมารให้ทานแก่พรามทั้งหลายนั่นเดียว จึงคิดว่าเราจะทำโดยประการที่กุมารนี้ให้ทานแก่ชนทั้งหมดมหาบุรุษจึงหหมจีวรถือบาทเหาะมาทางอากาศยืนอยู่ที่ประตูเรือนของบุตรนั้นมันทะกุมารเห็นมหาบุรุษนั้นแล้วก็โกรธว่ า, วาสมณะนี้เป็นคนถอยมีเพศน่าเกลียดอย่างนี้มาจากไหนนั่นนี้แล้ว มันตพกุมาลจึงได้กล่าวคาถานี้ว่ากุโตโนุอาคัจสิจามมะวาสิโอตันละโกปังสุ ป, ปิสาจะโกวะสังการะโจรังปฏิมุญจะกันเถโกเรตุวังโหสิอทักกิเนโยแปลว่าท่านนุ่งหนังสัตว์มีรูปร่างน่าเกลียด เหมือนปีศาจคลุกฝุ่นมาจากที่ไหนกันท่านสวมต้นผ้ า, าซึ่งได้จากกองอยากเยี่ยไว้ที่คอเป็นผู้ไม่กวน ร, รับทักษีนาเป็นใครกันนะหนังนี้พวกปรามทั้งหลายจึงกล่าวว่าจนทั้งหลายจงจับจงจับแล้วก็จับมหาบุรุษนั้นทุบตีให้ถึงความพินาศย่อยยับมหาบุรุษจึงได้ออก ไปทางอากาศยืนอยู่ที่ภายนอกพระนครเทวดาทั้งหลายโกรธแล้วจึงจับคอของมันทพกุมารเอาเท้าชีฟ้าเอาศีรษะลงดินตั้งไว้กุมาร น, นั้นมีในตาตลนมีน้ำลายไหลออกจากปากหายใจฟืดฟาดฟืดฟาดคือกุรุกุรุ เสวยเวทนาอย่างใหญ่นางทิตะมังกฤิกาฟังแล้วถามว่ามีใครมาหรือเมื่อเขาตอบว่ามันระชิตมาก็ถามว่าไปไหนไปอย่างนี้นางจึงไปที่นั้นแล้วอ้อนบอนว่าท่านเจ้า ข, ขาขอท่านจงอดโทษแก่ท่านของท่านน่นนี่แล้วก็หมอบลงที่พื้นใกล้เท้าของมหาบุรุษนั้น ก็โดยสมัยนั้นมหาบุรุษเที่ยวบินาบาบได้ข้าวยาคูดื่มข้าวยากูนั่งอยู่ในที่นั้นข็ได้ให้ข้าวยากูที่เหลือ น, นิดหน่อยแกนางพิตะมังกริกาแล้วกล่าวว่าเธอจงไปจงกวนข้าวยากูนี้ในหม้อน้ําแล้วหยอดที่ไหนตาหูแล้วรูจมูกและประ พรมร่างกายทั้งสิ้นของคนพิการทั้งหลายคนพิการทั้งหลายจะหายพิการนางจึงได้กระทำดังนั้นแต่นั้นเมื่อมันทพกุมารมีร่างกายปกติแล้วนางจึงกล่าวกับบุตรว่ามาเติดพ่อมันทัพยะพวกเราจะให้มหาบุรุษนั้นอดโทษแล้วพาบุตรและพราามทั้งปวงให้นอนหมอบ ที่บาทมูลของมหาบุรุษนั้นแล้วขอขมาให้อดโทษมหาบุรุษนั้นให้โอวาทว่าพึงให้ทานแก่ชนท้องปวงดงนี้แล้วกล่าวธรรมกถาแล้วก็ไปสู่ที่อยู่ของตนเรื่องของคนจันทานชื่อมาตังกะ